พระธรรมเทศนาแผ่นที่99ลําลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23พฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าฤาษีแย่งบุญเมื่อวานเป็นวันพระแปดคำ่ำ เดือนส2บสองแรมแปดคำ่ำแต่เมื่อคืนเมื่อวานหลวงพ่อไม่ได้ลงมาสลาคณะจัตตาญยาดโยมลูกหลานเพราะแขกตั้งแต่เมื่อเช้ามีเป็นระยะระยะตัง จ, จนถึงตอนเย็นโอ้ไม่ไหวคือในช่วงนี้คือเนี่ยอันเนื่องมาจากน้ำท่วมพวกส่วนราชการทุกหน่วยทุกเหล่าเขาก็เพ่งมองเข้ามา ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์พี่น้องลูกหลานจากนั้นก็เห็นว่าวัดวาสศาสนาอยู่ในถิ่นนี้มีอัก็เข้ามากราบมาไหวม า, ารู้จักได้เข้ามาวัดของเราตอนเช้าก็มีกลุ่มคณะเลขารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุข พอตอนบ่ายอกีกก็มีมูลนิธิพึ่งพายามยากของพระองค์โสมพระองค์พาที่เป็นตัวแทนของท่านมีผู้มีผู้ ว, า, ว, า, วาราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยทางจังหวัดเป็นนำถุงพระประธานมามอบมาถวายไว้ที่วัดแล้วก็มอบ ถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติประสบน้ําท่วมในท้องถิ่นท่านก็เป็นห่วงแล้วก็มาแวะเข้ามาที่วัดพอตกตอนเย็นก็มีทางพออโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเข้ามาในมนเก็บกับภาระทุระโรงพยาบาลหาเครื่องไม้เครื่องมือให้กับโรงพยาบาลศูนย์อันนี้คือจุด บอกว่าจุดใหญ่ๆนะที่เข้ามาเมื่อวานนะจุดย่อยอีกมีตั้งเยอะแยะไปที่ลูกหลานเข้ามากลุ่มทตละคนสองสาคนพราะนะั้นหลวงพ่อสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อหน่วยเมื่อวานนะแล้วก็ขอพักพ่อนก็ให้พวกพาลูกพาหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมยังไงก็เคยพาปฏิบัติมาแล้วนะก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อพาดําเนินหลวงพ่อพาปฏิบัติมานั่นแหละจะให้นํา ทุกิงทุกอย่างทุกเวล่ำเวลาก็คงจะไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่เราพวกเรารู้แล้วเออนา ม, มาปฏิบัติเปิดเป็นกฎเป็นระเบียบการอยู่ด้วยกันนะแล้วกนนั้นวันนี้เป็นวันพุธที่เกวันพุธที่ยี่สิบสาพจิกายนพุทธศักราช2559ห แรมเก้าค่ำวันเมื่อวานนีแรมแปดค่ำเป็นวันพระนะแต่ถึงยังไงพวกเราในช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราทำการงานไม่ว่าในครัวไม่ว่าพระไม่ว่าผู้เกี่ยวข้องก็มาลุมมาตุ่มกันพอสมควรเหมือนกับลังต่อลังแตนที่มันแตกสลุพุพายด้วยลมพายุด้วย อะไรก็ตามที่มากระทบกระแทกรวงรังของเราของต่อแดนต่อแดนทั้งพึ่งต่อพึ่งลังพึ่งงาไอต่องานทั้งหลายลูกสมุนทั้งหลายมันก็ต้องช่วยกันซ่อมแซมรวงรังของมันขนาดจัดติราฉานมันก็ยังรู้จักพิธีการซ่อมแซมรวงรังเราเป็นพระ เราเป็นมนุษย์เป็นพระมีอะไรเกิดขึ้นในรวงรังของเราเราก็ต้องช่วยกันดูช่วยกันประคับประคองช่วยกันเยียวยาในจุดที่มันเสียหายในช่วงนี้พวกเราเป็นจุดที่เราเยียวยาที่ว่าเราก็รู้กันนี่วนะ่าน้ำท่วมนะแต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องคุณธรรมศีลธรรมกิจลียธรรมพวกเราอย่าได้ลดละ จุดนี้สำคัญถ้าว่าพระก็ออกนอกลูก่นอกทางทางในครวกออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางไปคนละทิศคนละทางกันนั้นแะอันนั้นแปลว่านรกแตกสิ่งเหล่านี้ก็ใครพวกเราสารวมระวังของเหล่านี้ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่ของสนุกไม่ชอบไม่ใช่ของมาเพื่อทำเล่นเล่นมาเพื่อหวังสวรรค์นิพพานหวังมรรคฝังผลถ้าเราอยากจะเล่น ถ้าอยากจะละแหลกเราอยากจะออกนอกรูกนอกทางก็ไม่ควควรอยู่ในวัดวาศาสนาเพราะว่าที่อื่นมันกว้างตั้งเยอะแยะวัดของเราก็เพียงแต่เพียงพันไร่ตนเองพันกว่าไร่เองที่อื่นเม่นปินเป็นหลายล้นลานร้อยหลายร้อยล้านไร่มันจังกว้างขวางที่พวกเราจะออกไปแต่เรามาจุดนี้เรามาอยู่จุดนี้เพื่ออะไร เนี่ยให้พวกเราทุกองนะพระทุกองผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้ดูปะพูดทางนี้ทางนั้นให้ดูตัวเองว่าเราเข้ามาจุดนี้เพื่ออะไรเรามาเพื่อบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีที่ดีนั้นคืออะไรก็ได้รับการศึกษาจากหลวงพ่อมานมนาน หลวงพ่อก็นแนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักจริยธรรมคือความประพฤติเราเป็นฆราวาสเราควรทําตนอย่างไรเราเป็นพระเราควรทําตนอย่างไรถ้าเกี่ยวข้องการเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนอย่าให้มันจนถึงกับเลยเถิดเลยแดนจนคนทางน อ, นอกมองเห็นแล้วรับไม่ได้เป็นการเสื่อมเสียไม่ใช่เสื่อมเสียพระองค์นั้น คนคนนั้นไม่ใช่มันเสื่อมเสียพุทธศาสนามันเสื่อมเสียวัดวาศาสนาเพราะนั้นสิ่งเรล่าได้ให้พวกเราท่านทั้งหลายนะคิดนะหลวงพ่อสอนไม่ให้โง่นะสอนให้คิดนะเพราะนั้นพวกเราสำรวมระวังแต่หลวงพ่อมีการงานขึ้นมาที่ไรห ล, ลวงพ่ออดวิตกกังวล น, นึกอดีตย้อนหลังไม่ได้ที่มันเสียหายมาแล้ว อ, อย่าให้มันมีอีก ใครก็ตามถ้าเป็นลักทธินั้นเป็นหูเป็นตาช่วยกันอย่าปกปิดความชั่วเสียหายถ้าใครก็ตามทําตัวไม่ดีบอกมานะไม่ต้องเกรงใจออแล้วก็ผู้ที่จะกระทำนั้นก็เหมือนกันต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรการเทศการสถานที่บุคคลในสถานที่อย่างนี้ควรปฏิบัติตนอย่างไรควรทําตนอย่างไรให้พวกเราท่านทั้งหลายสังเกตดู ให้ดูตนเองสรุปแล้วนะแต่ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคำว่าจริยธรรมคํานี้นะเพราะพระไตรเจ้ทาท่านท่านเคยเป็นสวยพระชาติในชาติหนึ่งพระพุธบําเพ็ญจริยะรรมคำว่าจริยะรรมคำนี้นคือความประพฤติของพุทธะท่านทําตนอย่างไรถึงเท้าถึงเขาท่านเด็ดเดี่ยว เด็ดขาดทั้งก็เด็ดขาดเหมือนกันนะสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นลูกเศรษฐีอยู่ที่กรุงพาราณสีพ่อแม่ของท่านรวยมากเป็นเศรษฐีทั้งแปดสิบโกดเอาสิบคูณเข้าไปเลยเอาสิบคูณเข้าแปดสิบเป็นเท่าไหร่เป็นกี่ร้อยล้านอันนั้นเป็นเงินสดนะ ยังอีกทรัพย์สมบัติอย่างอื่นอีกนะแต่ทนี้ท่านก็มีลูกอยู่ก่อนที่ท่านจะมีลูกท่านก็ไปบนบานศาลก่า ว, วาขอให้ได้ลูกมาสืบศามลมรดกที่ได้มีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เทวบุรก็ลงมาเทวบุรลงมาจากสันชวันมาลงมาเกิดกับนางนางเศรษฐี แม่บ้านของเศรษฐีเลยได้ลูกชายขึ้นมาก็ดีใจได้ชื่อว่าโศนาต่อมาเอกนางก็ตั้งคันขึ้นมาเอกได้น้องชายขึ้นมาชื่อว่านันท ะ, นะพี่น้องสองคนจากนั้นก็ได้พี่น้องสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่นะต่อมาก็เป็นหนุ่มพอเป็นหนุ่มขึ้นมาได้รับ การศึกษาเรียนศิลปะศิลปวิทยาไม่แพ้ใครเป็นผู้เฉลียวฉลาดมากแต่พ่อแม่กนนั้น่ะโน้มร้าวอยากจะให้ลูกแต่งงานเพื่อสืบสารมรดกแต่ลูกชายบอกว่าเออแม่ในใจของผมน่ผมไม่ได้อยากจะบวชเป็นลือศีสีพรายอยากจะประพฤติพรห ม, มจันทร์อยากจะไปถือเนคกระผมไม่อยากจะมีครอบครัวครับ คุณพ่อคุณแม่เอาเถอะ ใ, ให้น้องชายให้น้องชายแต่นะแต่ผมก็ดูดูไปจนกว่าพ่อแม่จะหาไม่ผมก็จะออกละออกไปบวชละเพราะท่านมีอุปนิสัยท่านมองเห็นโลกทางหลายโลกทั้งโลกอพอแต่งานแล้วเป็นยังไงได้ลูกมาแล้วเป็นยังไงเท่าแกจะรัแล้วก็ตายเป็นคนคนให้เห็นอยูเอ่เราจะเป็นอย่างนั้นไหมเราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราควรจะเป็นผู้บําเพ็ญพจ อยู่ในป่าดวงพงไปหาทางพ้นทุกข์เราไม่ได้เบียดเบียนใครเราก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็ไม่ทำให้ใครใครทุกข์กับเราอีกอถ้าเรามีครอบครัวเวลาเราตายไปแม่ว่านก็ทุกข์ลูกทั้งหลายก็ทุกข์กับเร า, เาถ้าเราบอกเขาตายก่อนเราก็ทุกข์กับเขาอีกต่างหากอันนี้เราเกิดมาคนเดียวเราไม่ต้องทุกข์กับใครเราตายก็ตายคนเดียว คนอื่นจะทุกข์ด้วยก็เอาสูตรแท้แต่แต่เขาบอกว่าอย่าทุกข์กับเรานะเราเป็นนักพจนักบวชแล้วนะอันนี้เราควรจะเป็นนักพจนักบวชไม่ควรจะให้ให้ใครทุกข์กับเรานะพระโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างนั้นนะท่านก็ให้น้องเถอะเป็นสืบมรดกเดี๋ยวผมดูแลพ่อแม่สักไม่ไม่เห็นพ่อแม่ผมก็จะบวชละออกป่า พอน้องชายได้ยินบอกว่าน้องชายว่าผมไม่เอาแล่วเมื่อพี่ชายถุยน้าลายออกมาผมจะไปรับถุยขี้กระเถอของพี่ชายด้วยรับมอชับมรดกผมไม่เอาหล้วผมก็จะหนีเหมือนกันผมจะบวชเหมือนกันผมไม่แต่งงานเหมือนกันทั้งพ่อแม่เอยทํำยังไงจริงๆแล้วลูกจริ ง, ลลรงครับทั้งสองคนก็จริงครับทั้งพ่อไม่เอาถ้าหากว่าจริงอย่างนั้น วอระดูนี่ก็ควรจะมอบให้กับญาติพี่น้องหรือว่าแบ่งให้รัฐบาลหรือว่าแบ่งให้ใครต่อใครให้มันจบจบะเอาออกเราหนีออกไปอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งสี่คนน่ะไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าจะให้ตายซะก่อนจะค่อยออกไปดูดูแล้วก็การบำเพ็ญคุณงามความดีก็คือบำอเพ็ญบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเป็นลือสีสีปลายก็ดีอยู่แล้วเนี่ย ถ้าลูกไม่เอาเด็กก็เอาพ่อแม่ก็เสียสละเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ขนาดลูกก็ยังเสียสละได้ทั้งที่หามาให้ลูกลูกก็ยังไม่ไม่เอานะก็เลยพ้อมพากันเสียสละแบ่งสันปันส่วนอให้เขาจัดการเลยแตมมม่มันมากเกินไปก็ให้พี่น้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแจกแบ่งใันให้เต็มที่นะอาจากนั้นสีธงสีท่านก็เข้าไปในป่านไปตั้งอาสมอยู่ในป่าหิมะผ่าน อแต่ในกระตังอาสมกันมาพ่อแม่ก็เป็นลือศีน้องชายก็เป็นลือศีพี่ชายก็เป็นลือศีไงอยู่ในป่าแต่พี่ชายกับน้องชายน้องชายให้ดูแลแม่พ่อแม่แต่พี่ชายออกไปหาผลละหมากรากไม้ในป่าอย่างดีอมาแบ่งให้พ่อแม่กินก่อนแล้วกับลูกต้งค่อยพวกเราสองคนก็ค่อยกินทีหลังแต่ทีนนี้น้องชายเนี่ยอยากจะได้บุญมาก อยากใ้บุญมากกว่าพี่ชายเหมือนกัเออไปกันเนยตอนเช้ามากับตอนกลางวันมากับพี่ชายไปหาผลหมากรากไม้ไกลๆเอ่อเอามาแต่น้องชายเนี่ยไปหาผลหมากรากไม้แถวใกล้ๆนะเอ่อเอามามาให้พ่อแม่กินมาให้พ่อแม่ทานก่อนเอ่อพ่อแม่ทานเสร็จแล้วกินผลหมากรากไม้เสร็จแล้วก็ม้วนปากม้วนไม้สีฝันเข้าไปแปลงฝันให้สะอาด ก็สมาทานศีลอุโบสถเลยนะคือจะทานศีลรักษาศีลมือเดียวนะทานอาหารมือเดียวตอนเช้าแลนะ้วก็จบแต่นีนพออาหารพี่ชายใหญ่ที่เป็นพี่ชายมาเอาอาหารมาพ่อแม่ก็โอ้ยพ่อแม่กินแล้วเนะี่ยน้องก็เอามาให้กินแล้วดูอาหารน้องชายที่เอามากัตามมีตามได้ท่าน้นเองไม่ใช่อาหารอย่างดีเราเอาผลไม้คัดสรรมาอย่างดีเพิ่ม เพื่อให้พ่อให้แม่ของเราแต่น้องชายตัดหน้าก่อนไม่น่าจะถูกนะก็เลยเรียกน้องชายมาเตือนเอยน้อง เ, อเราควรเอาอาหารให้พร้อมกัน เ, เพราะว่าพ่อแม่ของเรามีความสุขมาทางกระวาดจะมากินของสุมสี่ชุมห้าดูๆแล้รต้องเอาของดีมอบให้ท่านให้น้องรอก่อนนะเดี๋ยวพี่เอามาแล้วของพี่ก็ไม่ ได้ชักช้าอะไรเอาไมา้พร้อมกันแล้วก็ยังค่อยเอาหมอบให้ให้พ่อแม่ของเราทานแต่น้องชายเนี่ยก็ดันทุลัง <Savannah> อะทางพี่ชายก็มาคิดเอ๊ะถ้าจะขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยน้องชายมันดันทุลังมันดื้อรั้นอย่างนี้มันไม่ถูกนะนก็บอกแล้วบอกว่าอาหารที่ได้มาเนี่ยผลไม้ที่ได้มาเนี่ยของน้องชายก็ตามมีตามเกิดตนเอง มันไม่ใช่ของดีเดอะไรเพราะตามมีตามได้แต่ของเราคัดสรรมาอย่างดนะีเพื่อจะให้พ่อแม่ได้ทานเนะ่แต่ทำไมน้องชายดันทุหลังดื้อรั้นอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องจัดการกับน้องชายนะ <c oughs> นั่นแหละท่านก็ไม่ใช่ธรรมดาได้พระโพธิสัตว์นะท่านไม่ใช่ว่ารูปหน้าปะจมูกนะเห็นแก่น้องชายไม่ได้นะแต่น้องชายสุดท้องเนะี่ยพ่อแม่รักน้องชายคนสุดท้อง ม, มาก ทั้งพี่ทั้งน้องนะลูกชายสองคนแต่น้องชายได้เตือนสองสามครั้งแล้วยังไม่ฟังเรียกมาเลยเท่เไหร่พอเรียกมาแล้วกันน้องชายพ่อแม่เป็นหน้าที่ของออของเรานะเพราะเราเกิดก่อนเธ อ, เ, อ, อเราเป็นพี่ชายพ่อแม่ต้องเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบมากกว่าเธอเป็นน้องมาทีหลังถ้าเราตายแล้วเธอจึง เคยเธอจะรับหน้าที่แทนแต่บัด น, นี้พี่ต้องรับหน้าที่แทนเมื่อพี่บอกแล้วไม่ฟังเธอไม่ควรจะอยู่ที่นี่หนีในวันนี้นะพอวานนั่นพี่ชายก็ดีดนิ้วมือด้วยนะไอ้ก้อยบอกเป็นอนัดสัญญาณดีดนิ้วตับ๊บไปหนีเดี๋ยวนี้ไม่ควรจะอยู่นะเพราะเน่ยความเด็ดเดี่ยวของพระโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ คล้ายๆว่าไม่ฟังคำกันจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรผูนะ้ที่อยู่ด้วยกันได้ต้องฟังต้องเชื่อฟังคำกันต้องเชื่อฟังเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลอ้างเหตุผลให้ฟังขนาดไหนแล้วยังไม่ฟังพระโพธิสัตว์ก็ดีดนิ้วมือเลยฮะดีดนิ้วมือทับจุดนะออกนี้เดี๋ยวนี้ไม่ควรจะอยู่เราเองจะเป็นผู้ดูแลพ่อแม่นะจากนั้นน้องชายกับพ่อพี่ชาย เอาอย่างแรกจะอูไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะดูพี่ชายเคารพพี่ชายต่างหากนะด้วยความรักเคารพพี่ชายอย่างสุดเหมือนกันแต่ตัวเองก็คิดว่าดันทุลงังคิดว่าดันไปตามความที่ศรัทธาของตนเองเท่านั้นเองนะปวดนึกว่โอ้เราจะเอาอยัางไงเป็นความผิดและจํานึกได้เอาท่านก็เข้าไปในห้องแพ่งฌานก็ได้ได้ฌานโลกีนะแต่เนี่ย ได้ชาโลกีเหาะเหินเดินฟ้าได้ดำดินปินบนได้เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์นะทางพี่ชายเขาก็เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์อยู่แล้วนะได้ชาโลกีเหมือนกันแต่นี่ยท่านกถ้าหาว่าเราจะไปเอาแก้วทั้งหลายมาโปรยที่บริเวณอาสมของเราให้เต็มไปหมดด้วยแก้วแทนกวดนะพี่ชายของเราคงจะไม่คงจะไม่เอาโหสิกรรมให้เรานะ หรือเราจะทำด้วยอิทธิฤทธิใดก็ตามพี่ชายคงไม่ โ, โหสิกรรมเราควรจะไปเอาพระเจ้าแผ่นดินในสมผูทวีปทั้งหมดร้อยเอ็ดพนคอนมาคารวะมากราบไหว้แล้วก็มาคารวะมาขอโทษพี่ชายเรามองเห็นทางเดียวที่จะทำได้จากนั้นนันทะเสร็จนันทะ ลือศีนี่ก็ออกจากอาสมเลย่นไปหาพระเจ้าพาลานาศีจากนั้นก่อนไปโน้มน้าวพระเจ้าแผ่นดินร้อยเอ็ดปนนครเข้ามาก็ยอมหมดทุกคนเพราะท่านมีฤทธิ์ไม่ยอมก็ไม่ได้เอาให้ให้ขินเขาดูเลยพอเนี่ยนะยกทัพมาแลนะพอยกทัพมาลือศีนี่ กลางแผ่นหนังขึ้นมาเขาไม่เห็นนะแผ่นหนังเลยแต่แล้วก็ยิงธนูก็มาหากันอนอะพอยิงทางนี้ก็ยิงธนูก็ยิงต่างคนต่างยิงยิงจนหมดลูกลูกธนูแต่ที่ไหนได้ไปถูกแผ่นหนังทั้งหมดเออไม่มีใครเจ็บป่วยแม้แต่คนเดียวพอหมดลูกธนูแทนเลยยอมไหมแต่ถึงยังไงก็ตามเพียงแต่ให้ยอมท่านั่นเองแต่ให้เป็น พระเจ้าพระราชนิจิเป็นใหญ่แต่เอพวกเธอต้องเป็นรองอแต่ให้เป็นพระเจ้าแป่นดินอย่างเกา่าปกครองอย่างเกา่าเพียงแต่ว่าให้นับถือวันนี้พระเจ้าพระราชนีจิตรเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้บอกเด็ดแนะนําใครก็ยอมหมดเพราะมันเห็นอิทธิฤทธิ์อย่างนั้นแล้วนะพระนิสสุก็นเนะี่ยพอได้มากก็ชวนพระเจ้าแป่นดินทั้งหมด พวกประชาชนจะเชื่อนันทะเศษลือศีนะที่ภูมิอิทธิฤทธิ์เนะ่ก็เลยพา พ, พร้อมพากันมากราบคารวะพี่ชายพี่ชายก็ไปยินดีน้องชายหนีไปทั้งพ่อกับแม่ แ, แม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ไม่เห็นลูกชายทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันไม่เห็นลูกชายแม่บางทีฝันเห็นกลางคืน ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ไมาเห็นลูกชายเออพอฝันเห็นกันดีอกดีใจขนาดที่ฝันเห็นพอตื่นขึ้นมาก็ลูกชายก็ไม่เห็นเออทั้งเจ็ดปีเนี่ยตนผลที่สุดมาวันนั้นน้องชายมาขอคารวะพี่ยอมสารภาพจะไม่ทำอีกต่อไปอย่างที่เคยทำมาก่อนพี่ก็บอกยินดีเอาเอาโสิีให้เพราะพี่ไม่ได้ผูกทา เจ็บอกเจ็บใจกับผู้ใดทั้งหมดเราหวังโพธิญาณเท่านั้นมีแต่จะเดินหน้าจะมาเกาะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้แต่เธอทำผิดเนี่ยเราก็ต้องพูดตามว่ามันผิดจะไปถูกได้ยังไงมันผิดนะมันไม่ไปตามที่เราขอร้องอน้องชายก็ยอมรับอพอยอมรับแล้วก็พูดให้แม่แม่เอยลูกแม่เองฝันเห็นลูกชาย นันทะเนี่ก็ตื่นตันใจแต่ตื่นเช้ามาก็ไม่เห็นแต่บัดนี้เห็นหน้าแล้วแม่ที่เป็นลือสีขอเกอดลูกชายให้ให้อุ่นใจด้วยเถิดนนะบอกกับพี่ชายใหญ่พี่ชายเออตา ม, มตามความรักของของแม่นะนี่แหละอันนี้ก็คือการการเป็นอยู่ด้วยกันมันต้องมีเหตุผลขนาดพระพทุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์นะ เพียงแค่นั้นท่านก็นยังใช้มาตรการเด็ดขาดเหตุหลายเพราะว่าไม่อยู่ในโอวาทการอยู่ด้วยกันต้องฟังกันต้องศึกษาต้องมีเหตุมีผลการอยู่ด้วยกันนี่แหละอันนี้นที่หลวงพ่อได้พูดไดวงว่า น, นิทานลึชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่ด้วยกันผู้เป็นน้องก็ต้องเคารพหลักเหตุผลเชื่อพี่พี่มู พี่พูดแล้วมีเหตุผลไหมตัวเองไปหาผ ล, ลไม้กเกาเหลาเกวลาดแถบนั้นมาให้พ่อแม่กินพอกินแล้วก็พ่อแม่ก็สมาทานศินุโบสดไม่กินผ ล, ลไม้อีกในวันนั้นแต่พี่ชายไปหาผ ล, ลไม้ดีๆในป่ามาคัดสรรมาเพื่อจะให้พ่อแม่ได้ทานอาหารผ ล, ลไม้อริดอร่อยหวานแต่น้องชายตัดหน้าทุกครั้งเรียกมาเตือนมาเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง แล้วจะทำยังไงถ้าคืนให้น้องชายดูแลพ่อแม่ทั้งที่พ่อแม่ออกมาเป็นลือสีชีภัยคราวนี้กับพ่อออกมากับพ่อพี่ชายพี่ชายไม่รับมรดกพี่ชายเป็นผู้แนะนาพ่อแม่ก็น้อมยอมรับเพื่อมาอยู่กับพี่ชายแล้วก็น้องชายแต่ผลในที่สุดน้องชายแหวกแนวไม่ฟังเชื่อพี่ผู้พี่ฆ่าเองเป็นคนรับผิดชอบพ่อแม่ เธอเนะี่ยมาทีหลังนะ่ไม่เชื่อฟังคำของเราเนะ่ะเธอต้องหนีนะมันก็มีเหตุผลของท่านผู้ผู้เป็นพี่ไม่ใช่ว่าใช้ทิฐิมานะนะบอกกล่าวหลายครั้งแล้วนะเนี่ยนี่แหละอันนี้การอยู่ด้วยกันก็ต้องมีเหตุมีผลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังอันนี้หลวงพ่อยกชาดกที่วจริยะปิดก ของพระพุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญคุณงามความดีมาจนได้บำเพ็ญจนได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคันี้แหละการบำเพ็ญอย่างนี้แหละคือบำเพ็ญคุณงามความดีการอยู่ด้วยกันต้องฟังกันต้องฟังพี่ฟังน้องฟังวงษาขน า, าดญาติญาติมิตรหายลูกน้องบริวารใครมีเหตุผลกว่าการอา่าตักเตือนกันบอกกล่าวกันต้องเชื่อฟังกันไปด้วยกันไม่ใช่ว่าดันทุลัง ว่าตัวตัวเองเก่งว่าตัวตัวเองฉเฉลียวฉลาดผล ท, ที่สุดความจีหายเข้ามาสู่วงสาคนาญาตนะินั้วใครเป็นคนเสียหายเสียหายทั้งวงสาคนาญาตินี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องฟงังการอยู่ด้วยกันต้องฟังพี่ฟังน้องฟังเหตุฟังฟังผลอย่างเอียงดวงหลงตาพูดจนะไปทะเลาะวิวาดกับพี่น้องนะไม่ได้นะคล้า ย, ายกับว่าตัวเองฉลาดจริงอยู มีอำนาจจริงอยู่แต่ว่าทำร้ายทำลายวงาาศาคณะญาติญาติพี่น้องจะโดดเด่นแต่คนเดียวนตัวเองคนเดียวมันทำได้ยังไงคิดได้ยังไงเสียหายวงาาศาคณาญาติปดมันไม่ถูกต้องเหมือนกับเราอยากจะรวยผลได้สูงกันจุดเล้าเผาเรือน เผายุ้งข้าวเผาบ้านแล้วก็ไปปลูกฟักปลูกแฝงมาทดแทนมันจะคุ้มค่ากันไหมกับที่มันเสียหายไปเนี่แหละหลวงตามหาบัวในท่านก็นเคยพูดออให้พวกศิษยานุสิษย์ทั้งหลายในฟังไม่ใช่พูดคนเดียวนะพูดให้พวกเราได้ยินหลวงพ่อก็ได้ยินออใช่หลวงตาเนี่ยพูดถูกว่ะเพราะท้งการอยู่ด้วยกันของพวกเราก็เหมือนกัน ยึดแนวปฏิปทาขององค์หลวงตายึดแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยึดแนวปฏิปทาของพระพุทธทเจ้ามาอยู่ด้วยการมาปฏิพืติปฏิบัติมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกนะถ้าออกนอกรู่นอกทางนะ่ะเสียหายนะเป็นทุกข์นะพวกเราท่านทั้งหลายอ่ะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร ล, ละพรนะ